ชีวิตโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านกำพีจังหวัดมหาสารคามเป็นหนึ่งในโครงการในพระราชสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบ ร, รมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระสงนิกรในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมรา ช, ชิ น, นีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมกลุ่มทอผ้าไหมมู ล, ลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพบ้านกำพีตำบลกมพีอําเภอรบรบือจังหวัดมหาสรารคามเมื่อปี2548พระองค์ทรงเยี่ยมเยินประชาชนที่รอรับสเสด็จและได้ทรงทราบถึงปัญหาหลายอย่างของประชาชนในพื้นที่จึงมีพระราชสวนีด์ให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนบ้านแดงน้อยหมู่ที่สองตำบลบ้านกำพีอําเภอรบรบือจังหวัดมหาสารคามกว่า124รครัวเรือนกรมทรัพยากรน้ำได้เข้ามาดําเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำหนองโคกสะแบงซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดําริบ้านกำพีแล้วเสร็จในปีพศ2550ปัจจุบัน สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนชาวตาบลกมพีและอำเภอใกล้เคียงเป็นอย่างมากน้ำคือชีวิตควรคิดก่อนใช้กรมทรัพยากรน้ำประส s o n ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมให้การปรึกษาด้านทรัพยากรน้ำโทร1 3 1่งหกด5หรือ www.dwur.go.th